1นึเมื่อทิฏฐิขั้นต้นมิฉาทิฏฐิทิฏฐิอื่นก็มิฉาตามเมื่อธรรมนูญอันเป็นบัญญัติหลักเอกของาศาสนาพุทธก็ไม่มีเสียแล้วแถมละเมิดบัญญัติที่เป็นธรรมนูญเสียเกือบครบบทบัญญัติแล้วอีกด้วยแล้วาศาสนาพุทธจะเหลืออะไรเอาบทบัญญัติของจุลศีล มัชมาศีนมหาศีลไปตรวจสอบดูเถอวะวัดต่างๆเต็มไปด้วยการเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาความรู้ที่ไม่เป็นไปเพื่อนิพานบริบูรณ์ไปด้วยเดรัจฉานกถาพูดการสอนกันแต่เรื่องไม่พาไปนิพานอย่างดีก็เรียนกันแต่ความรู้จักศาสตร์ภาษาศาสตร์ ซึ่งต่างจากพุทธศาสนาที่อาตมาหมายคณะสงฆ์หมู่ใหญ่กับคณะสงฆ์โศพจึงเป็นนานาสังวาดกันด้วยความเป็นอยู่ปฏิบัติจริงกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติต่างกันอุเทศคำอธิบายธรรมะจากหัวข้อธรรมะต่างกันศีลไม่เสมอสมานกันมันเป็นนานาสังวาสแล้วจริง คือแตกต่างกันนานาไปแล้วอย่างเด็ดขาดพวกหนึ่งไม่เอาสีนธรรมนูนแล้วกับอีกพวกหนึ่งเอาสินธรรมนูญอย่างยิ่งพวกหนึ่งหลงเที่ยงหลงประพฤติอยู่กับทีท่462อย่างดื้อดาษรยึดถือนับถืออดีตกับอนาคตกันอยู่ทางหนีเข้าป่าหลับตาทำสมาธิ ทั้งเอาตรรกศาสตร์ภาษาศาสาตร์มาแข่งดีแข่งรู้กันหรือนํามาโพรธนาเป็นวิมานหลอกล่อให้ได้แต่เฟอฝันกันไปเท่านั้นไม่มีทิฏฐิที่เห็นว่านิพานนั้นต้องปัจจุบันทิฏฐธรรมนิพานทิฏฐิไม่ใช่ไปหลงอยู่กับโลกอดีตโลกอนาคตอย่างที่เป็นการเต็มสังคมพุทธทุกวันนี้ ก็เท่ากับมิจฉาทิฏฐิการตั้งแต่ประเด็นต้นของพระสูตรเล่มแรกแท้ๆวงเล็บเล่ม9ก้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วโบราณจาร์นำมาบันทึกไว้เป็นบทแรกของพระสูตรของพุทธศาสนากันทีเดียวป่านนี้ท่านทั้งหลายก็ยังไม่ฉุกใจยังทำสั ม, มาทิฏฐิกันไม่ได้ ทิศที่อื่นๆที่จะต้องสำมาทถถิศการอีกหลากหลายแง่เชิงนั้นจึงเจริญเปิดเปิงต่อไปอย่างระเนระนาดดังที่เป็นที่เห็นกันอยู่ต้งต้ง